สัญญา ก, กับเธอคนนี้จะไม่ทำให้เธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยมัอยา ก, กับเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปแล้วจะไม่มองใครไม่มีใครนอกจากเธอก็มีแค่เธอคนเดียวไม่เคยจะอีวซ้ายตามีแค่เธอตลอดมามีแค่เธอคนเดียว แต่เป็นคำสัญญาว่าจะรักตลอดไปไม่มีคำวันวานส่งให้เธอทุกวันแต่ขอแค่เธอมีการโทษนั้นก็พอใจต่อจากนี้จะเป็นไงก็ไม่เป็นไรฉันคนนี้สัญญาจะอยู่กับเธอตลอดคนนี้จะมีทำให้เธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือ ผ่านไแต่ใจของฉันไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงคอยเติมเต็มบนหน้าส่วนฉันนั้นเป็นดอกไม้ที่ยังคอยเบ่งบานรอยยิ้มของเธอยังหมืนเมื่อวานเลยคอยธอยิ้มให้าทีแค่เขียนขอ้อความมันก็คงจะไม่พอส่งจดหมายไปก็กลัวจะจะรอนอกพิราบก็ไม่วางก็ไม่ทันขอทอบอกเธอตอนนี้เลยละกันมาซื้อดอก ผิดหวังจะไม่ปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยสัญญากค่เธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปเราจะไม่มองใครไม่มีใครอกใจสัญญากับเธอคนนี้จะมีทำให้เธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือเธ อ, อ